สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิอภิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่244เรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูตอนที่19ครับคําวิงวอนที่สองก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงคำวิงวอนที่สองก็คือแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ นี่นะครับผมอยากจะทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของการที่เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นเรามีความหมายอยู่สามประการครับเราเข้าใจความหมายสามประการนี้เราถึงจะอธิษฐานคำมิงวอนที่สองนี้ได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องประการแรกก็คือแผ่นดินนั้นเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเป็นของพระเยซูคริสต์แผ่นดินก็คือเครื่องจักรนะครับประการที่สอง ก็คือแผ่นดินที่เป็นครึ่จักรนั้นจําเป็นอ ย, อย่างยิ่งที่จะต้องขยายออกไปด้วยการประกาศข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นหัวใจสําคัญของข่าวประเสริฐนั่นเ อ, ง, องในวันนี้นะครับเราจะอยู่ในประการสุดท้ายก็คือว่าแผ่นดินนั้นจะได้มาอย่างไรอะไรจะเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งการปกครองของพระองค์บนโลกนี้ คำอธิษฐานของข้าพเจ้าที่มีต่อพี่น้องทุกท่านและทิศจักรทุกแห่งเช่นเดียวกันครับก็คือเมื่อทิศจักรนั้นเป็นแผ่นดินของพระเจ้าเราจะได้แผ่นดินมาได้โดยวิธีการของพระเจ้าอย่างแรกก็คือการกลับใจใหม่ครับการกลับใจใหม่นั้นจะเป็นการนําการปกครองของพระเจ้ามาสู่โลกนี้เมื่อพระองค์เข้ามาเสด็จเข้ามาครอบครองในชีวิตของใครก็ตามพระองค์ก็จะนําการปกครองของพระองค์ มาถึงชีวิตของผู้นั้นพระเยซูกิตนั้นทรงเป็นแผ่นดินของพระเจ้าและเราไม่สามารถแยกพระองค์ไปจากแผ่นดินของพระองค์ได้พระเยซูกิตทรงมาเพื่อปกครองแผ่นดินของพระองค์ผ่านทางผู้เชื่อครับและนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้พระกัมพีรบอกว่าเราทั้งหลายนั้นผู้เป็นผู้เชื่อนั้นเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและจะร่วมกันครอบครองกับพระองค์เป็นกษัตริย์ในอุปมาของพระเยซู เราจะพบว่าพระเยซูนั้นได้ให้รางวัลกับคนที่ศักด้นคนที่ดีว่าจงครอบครองสิบเมืองห้าเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะได้ร่วมกันปกครองกับองค์พระเยซูคริสต์เป็นกระสาต่วมกันกันกบพระองค์การอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นเนการอธิษฐานขอให้พระองค์เข้ามาครอบครองในจิตใจใ น, นชีวิตของเราทั้งหลายเราทั้งหลายนั้นเดิมเป็นคนที่มักกระโดครับ เป็นคนที่มีความบาปเป็นคนที่รักในการไม่เชื่อฝังพระเจ้าการ น, นิฐานเช่นนี้จึงเป็นการยกอำนาจของเรามอบอำนาจของเราให้พระเจ้าครอบครองชีวิตของเราแผนดินของพระเจ้าเป็นการรวมไปถึงเรื่องของการเชื้อเชิงให้คนกลับใจใหม่เยซูเชื้อเชิงนะครับบอกว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว การเป็นพลเมืองของแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นกลับใจเสียใหม่ครับและมีความเชื่อการกลับใจใหม่ผมเคยได้เรียนทุกท่านนะครับว่าเป็นอุปนิสัยที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งของคริสเตียนเพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยพร้อมในการถ่อมใจกลับใจเชื่อฟังพระเจ้านะครับการกลับใจใหม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นจําเป็นที่จะต้องมีการตัดสินใจครับเราอาจจะมีความรู้อยู่ในสมอง แต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจเราอาจจะรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้ารู้เรื่องพระเจ้าแต่ยังไม่ตัดสินใจที่จะรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเราอาจจะรู้เรื่องพระเจ้าและพยาพยามเข้าไปแต่เราไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินนั้นการปกครองของพระเยซูก็จะไม่อยู่ในชีวิตของเราจนกว่าเราจะตัดสินใจตั้งใจอย่างาแน่วแน่เพราะฉะนั้นเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจมากกว่า เพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าพระบีดบอกว่าเราต้องรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจครับคําว่าเชื่อด้วยใจนั้นก็คือการตัดสินใจตัดสินใจอย่างแน่วแน่มุ่งมั่นปรารถนาที่จะอยากจะได้แผ่นดินของพระองค์ให้มาตั้งอยู่โลกนี้พี่น้องครับเมื่อเราตอบสนองอย่างถูกต้องเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าด้วยความชอบธรรมขอ ง, งของค์งกร น, นะครับเรามีธรรมบรรัญญัติเรามีผู้เผยพจะนะยเยอะแยะไปหมดครับ เรามีพระคัมภีร์นะครับและพคัมภีร์นั้นพูดถึงเรื่องของการเข้าไปถึงแผ่นดินของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับในลูกาบทที่สิบหกข้อที่สิบหกนั้นน่าสนใจทีเดียวลูกาบทที่สิบหกข้อที่สิบหกนั้นได้บอกว่ามีคำว่าบัญญัติและผู้เผยเพระชนะมาจนถึงยอนตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประกาศเขาไปเสด็จเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและคนทั้งปวงก็บุกเข้าไปในแผ่นดินนั้นคําที่น่าสนใจก็คือคําว่าบุกครับ คำว่าบุกนั้นในภาษากรีกนะครับในภาษากรีกใช้กริยาคําว่า byrshomai นะครับ b y r s o m a i ซึ่งมีความหมายว่าการบุกรุกเข้าไปอย่างรุนแรงเขี่ยพลังบุกเข้าไปนะครับบุกเข้าไปดังนั้นจึงแปลได้ว่าเมื่อคนเข้าใจแผ่นดินของพระเจ้าอย่างถ่องแท้นั้นเขารีบรุดไปเลยครับเข้าไปแบบรุนแรงก็คือแบบบุกเข้าไปเรามีความรู้สึกแบบนั้นนะครับ เรามีค่าที่แบบนั้นไหมครับเราอาธิษฐานขอให้แผ่นดินของพวกมาตั้งอยู่เรามีความยิ้วกระหายแผ่นดินนี้ไหมครับเรามีความรู้สึกอยากจะบุกเข้าไปอยากจะเข้าไปเรีบรุดเข้าไปในแผ่นดินไหมครับหรือเราอยากจะรังรอรีรออยู่ในโลกครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นสมบัติของโลกนี้เลยเราไม่ได้เป็นพลเมืองของโลกนี้เลยแต่หลายคนจิตใจยังฝักฝ่ายอยู่กับโลกครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพวกมาตั้งอยู่ เรามีความหมายว่าเราต้องกลับใจใหม่รีบรุดเข้าไป inee. กอบโกยเอาการครอบครองของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของพวกเราครับพี่น้องเราจะต้องกลับใจใหม่และรีบรุดเข้าไปกอบโกยเอาการครอบครองของพระคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราแต่เมื่อไหรก็ตามที่เรากอบโกยเอาการครอบครองของพระคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราพระเยซูกิตจะเป็นเจ้าเหนือหัวเราเป็นเจ้าชีวิตเราและเราจะมีคุณค่าครับเรากําลังให้คุณค่ากับแผ่นดินนั้น เยซูไปบอกว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์ครับเปรียบเสมือนกับไข่มุกที่มีค่ามากต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยไปแลกมาซึ่งขุมทรัพย์นั้นเพื่อจะได้และไข่มุกเพื่อที่จะได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับผมเชื่อว่าแผ่นดินนั้นเกิดขึ้นจากการยอมถวายตัวด้วยครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและเป็นผู้ปกครองในชีวิตของเราแต่ละวันครับเราจะต้องมีเวลาที่จะพุกเขาลงพูดคุยกับพระเจ้า เข้าเฝ้าพระเจ้านะครับที่เป็นเจ้าของแผ่นดินและนำไปถึงการยอมมอบกายถวายตัวยอมถวายชีวิตอุทิศให้กับพระเจ้าซึ่งเรียกว่าเป็นการตอบสนองต่อองค์พระผู้เปเจ้าของเราอย่างถูกต้องครับ<อ>ผมเน้นคงว่าเป็นการตอบสนองต่อองค์พระผู้เงเจ้าของเราอย่างถูกต้องคือการถวายตัวยอมมอบกายถวายตัวอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้า เพื่อที่จะทําให้หน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคนนั้นสําเร็จที่ความปรารถนาอย่างสูงสุดของเราครับอาจารย์เปาโลหรือพระทูปเปาโลได้ให้ความหมายไว้ในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ17นะครับเขียนอย่างนี้นะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นการกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขพี่น้องครับโปรดฟังครั้งแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นการกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ นะครับเมื่อเรายอมมอบกายถวายตัวอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้านะครับเราจะมีความชื่นชมินดีในพระวิญญาณครับคุณงามความดีที่พระวิญญาณปัตนาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับก็จะเกิดขึ้นจริงครับการเจิมของพระวิญญาณจะเกิดขึ้นจริงการชงนำของพระวิญญาณจะเกิดขึ้นจริงผลของพระวิญญาณจะบังเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรานะครับผมอยากจะสรุปนะครับว่าวิธีการที่ให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้มีอยู่สามวิธีครับ หนึ่งก็คือการกลับใจใหม่ครับสองเราต้องมอบกายถวายตัวถวายชีวิตนะครับสามครับเราจะต้องมีชีวิตที่เตรียมรับเสด็จการกลับมาของพระเยซูอีกครั้งหนึ่งเป็นชีวิตที่เตรียมพร้อมครับผมอยากจะอธิบายถึงการเตรียมพร้อมเมื่อแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในโลกนี้ครบถ้วนถึงเวลา มีวันหนึ่งครับในอนาคตท้องฟ้าจะเปิดออกพระเยซูจะเสด็จมาและรับเราไปอยู่กับพระองค์พระเยซูจะสถาปนาราชจักรของพระองค์พระองค์จะเสด็จมาและวังพระบาทหรือเท้าของพระองค์ประทับอยู่บนภูเขาเม็กก็เทศครับอาคาติปาโลได้วาดภาพพระเยซูเสด็จมารับประชากรของพรองค์อย่างสวยงามในหนึ่งเทโลนกาบทที่สี่ข้อที่สิบเจ็ดครับบอกว่าบรนดาธรรมิชนนั้นจะถูกรับขึ้นไปในฟ้ากะและจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ คนลเมืองของพระเจ้าจะละออกจากเมืองออกไปต้อนรับการเสด็จมาอย่างมีเกียรติและเขาจะกลับเข้ามาในเมืองพร้อมกับพระเจ้าของเขาและพร้อมกับการยกย่องถวายเกียรติพระเจ้าของเขาพี่น้องครับในช่วงของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูพระเยซูคริสต์จะมีชัยชนะอย่างครบถ้วนบริบูรณ์และจ ะ, จะเสด็จกลับมาพร้อมกับประชากรของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรง ไ, งไถ่ไว้แล้ว เพื่อที่จะทำให้ราชาากาลของพระองค์ครบถ้วนบริบูรณ์และสำเร็จทำให้กระชนแห่งฟ้าสวรรค์และผู้ที่เหลืออยู่ในโลกนี้นั้นจะได้รับการไถ่ครับจะปกครองร่วมกันกับพระเยซูในฐานะปุโรหิตของพระองค์เป็นเวลาหนึ่งพันปีด้วยกันครับเลทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าจะร่วมปกครองกับองค์ผู้ทรงมหิทฤทธิ่น้องครับ นั่นคืออันจากพันปีที่พระเยซูจะจัดการให้ทุกสิ่งอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมพระองค์จะทรงปกครองด้วยคทาเหล็กและในที่สุดโลกจะรับฟังคําตอบแห่งคําอธิษฐานของพระเยซูที่ว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกนี่คือความสมบูรณ์ครบถ้วนของแผ่นดินของพระเจ้ายังกลับเห็นได้ว่าพระเยซูกําลังปกครองอยู่ในคริจักของพระองค์ที่นี่และมีวันหนึ่งครับพระองค์จะปกครองโลกนี้ เมื่อพระเยซูเสด็จใหม่ครั้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีชีวิตที่เตรียมพร้อมเสมอเราจะต้องมีชีวิตที่ติดอาวุธเพื่อที่จะต่อสู้กับมารซาตานที่มันเข้ามาในชีวิตของเราพยายามที่จะลักขโมยของที่ดีในชีวิตของเราก็คือลักขโมยพระวจะนะออกไปลักขโมยความสัมพันธ์กับทําลายความสัมพันธ์นะครับและในที่สุดมันปรารถนาที่จะฆ่าเราครับฆ่าเราให้ตายครับนี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจหลักของมารซาตาน แต่พระเจ้านั้นทรงมีพระคุณและทรงทรงอารักขาพระเยซูทรงเป็นผู้นําและนําการปกป้องคุ้มครองรักษามาถึงชีงวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะคุ้มครองเราพระองค์จะทรงนําเราไปข้างหน้าพระองค์จะทรงเราจะมีพระสิริของพระองค์นั้นปกป้องอยู่ข้างหลังพี่น้องครับเราจะแวดล้อมไปด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าตราบใจที่เราอยู่ในทางของพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานขอว่า ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นเรากําลังยกจ้องพระเจ้ามอบอำนาจของเราให้กับพระองค์เราตอบสนองด้วยการเชื่อฟังเราตอบสนองด้วยการกลับใจด้วยการถ่มใจครับเราตอบสนองด้วยท่าทีที่เราจะต้องเตรียมตัวรับเสด็จเราตอบสนองด้วยท่าทีที่เราจะต้องมอบชีวิตกุิศถวายตัวให้กับพระเจ้านั่นแหละครับคือบทสุขในวันนี้ที่เราจะตอบสนองเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั่นเอง ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทวดทุกท่านในวันเริ่มต้นทำงานในสัปดาหนี้ขอพระองค์ทรงโปรดสถิตยอยู่และทรงนำพี่น้องตลอดไปอาเมน